วันนี้เป็นวันเสาร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัด <c oughs> <c oughs> ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ <c oughs> ให้หมดสิ้นไป <c oughs> การฟังธรรมณนะสถานที่แห่งนี้ก็จะมี ตอนตอนนี้ไปเป็นเวลาสามสิบนาทีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีกสามสิบนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเพราะความนิ่งความสงบของใจนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ผู้ปฏิบัติแล้วจะทำให้มี กำลังมีพลังที่จะตัดที่จะละกิเลสตัณหาผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ธรรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็การเรื่องของการเสริมสร้างที่พึ่งทางใจเรามีร่างกายและมีใจ ที่ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งใจก็ต้องมีที่พึ่งถ้าอยากจะให้ร่างกายเราอยู่อย่างสุขสบายอยากให้ใจของเราอยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากเราก็ต้องมีที่พึ่งให้ทั้งกับทางร่างกายและทางจิตใจที่พึ่งทางร่างกายนี้ เราก็คงจะรู้กันว่ามีอะไรบ้างก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือที่พึ่งทางร่างกายที่พวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีกันถ้าจะทำให้ร่างกายของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความยากลาบากต่างๆเราจึงต้องไปทำมาหากินกันหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารมาให้ร่างกายรับประทานซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มต่างๆมาให้ร่างกายได้สวมใส่ซื้อที่อยู่อาศัยไว้สำหรับ ที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆและซื้อยารักษาโรคเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาร่างกายเราจึงอยู่กันเป็นปกติสุขเพราะเรามีปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกาย ที่จำเป็นจะต้องมีที่พึ่งเหมือนกับร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายใจก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคของใจเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกาย คือปัจจัยสี่ของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของของใจไม่สามารถรักษาใจให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความยุ่งยากต่างๆได้เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายส่วนใหญ่เรา จะหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราจึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ใจของพวกเรานี้แทบจะว่าได้ว่ามีปัญหาทุกวันเลยมีเรื่องนั้นเข้ามามีเรื่องนี้เข้ามาทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราเครียด ทำให้ใจเราวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งทางใจกันเราไม่ได้มีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูใจของเราปัจจัยสี่ของใจไว้เลี้ยงดูใจของเราเรามีแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายที่เลี้ยงดูได้เพียงแต่ร่างกายไม่สามารถเลี้ยงดูแล จิตใจของพวกเราได้แต่ถ้าเราหาปัจจัยสี่ให้กับใจด้วยพร้อมๆกับการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขเหมือนกับร่างกายอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้ งั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนในขณะนี้าขาดแคลนกันก็คือปัจจัยสี่ของใจปัจจัยสี่ของร่างกายนี้มีครบกันทุกคนไม่ ว, ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรทุกคนก็มีอาหารรับประทานกันทุกวันมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆกัน มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่แล้วก็มียารักษาโรคอย่างน้อยก็มีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันสุขภาพให้ด้วยการรักษาโรคภัยสามสิบบาทรักษาทุกโรคน่างกายของพวกเราทุกคนนี้ปลอดภัยมีที่พึ่งแต่ใจของพวกเรานี้ยังไม่ปลอดภัย จากทุกข์ภัยต่างๆเพราะใจของเรานี้ขาดที่พึ่งกันนั่นเองหรือ ม, มีแต่มีน้อยมีไม่มากพอไม่พอเพียงต่อความต้องการของใจที่จะทําให้ใจนี้อยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหน้าที่ของพวกเรานอกจากการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแล้ว เราก็ต้องหาปัจจัยสี่ให้กับใจด้วยเพราะชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนฝาแฝดเราเป็นฝาแฝดกันมีาแฝดพี่กับแฝดน้องร่างกายนี้เป็นเหมือนแฝดน้องใจนี้เป็นเหมือนแฝดที่หรือจะว่าร่างกายนี้เป็นบ่าวเป็นคนรับใช้ส่วน ใจนี้เป็นเจ้านายก็ได้เพราะใจเป็นผู้ที่สั่งการต่างๆให้กับร่างกายใจต้องการอะไรใจก็จะสั่งไปที่ร่างกายเช่นวันนี้ต้องการที่จะมาวัดเพื่อมาทาบุญทาทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาสั่งให้ไปเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆมา นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและใจใจต้องมีร่างกายถึงจะสามารถทำสิ่งต่างๆที่ใจอยากจะทำได้ถ้าไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถทำอะไรได้ใจก็เลยต้องมามีร่างกายมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องถึงแก่ความตายกันพอร่างกายตายไปแต่ใจนี้ไม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะธรรมชาติของใจนี้ไม่มีวันตายเป็นของที่ไม่มีวันตายพอไม่มีร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่ แล้วก็มาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆตามความอยากของร่างกายไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของใจ<ๆ>ร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ใจนี้เป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายที่ได้มาแต่ละครั้งนี้อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็สิ้นสุดลงแต่ความอยาก ความต้องการที่จะใช้ร่างกายนี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็เลยจาเป็นที่จะต้องไปหาคนรับใช้คนใหม่มาทำงานต่อนั่นเองเหมือนกับคนบางคนที่มีฐานะการเงินการทองดีสามารถจ้างลูกจ้างมาให้ทำงานต่างๆให้กับตนได้พอลูกจ้างคนเก่าลาออกไปหรือตายไป ก็จ้างลูกจ้างคนใหม่ต่อมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลามีลูกจ้างก็จะได้มีคนมาทำอะไรให้เราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อรัา ก, กับการทำอะไรต่างๆเพราะมีลูกจ้างคอยทำงานให้นั่นเองอย่างนี้คือความสัมพันธ์ของกายและใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ต้องมีต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีที่พึ่งคือปัจจัยสี่ของทั้งสองฝ่ายมีปัจจัยสี่ของทางร่างกายแล้วก็ต้องมีปัจจัยสี่ของของใจตอนนี้เรามีปัจจัยสี่ของทางร่างกายแล้วทุกคนตอนนี้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ทุกข์ยากลาบาก กับเรื่องเรื่องของร่างกายเพราะว่าเรามีปัจจัยสี่คอยเลี้ยงดูร่างกายตลอดเวลาเรามีอาหารให้ร่างกายรับประทานเวลาร่างกายหิวมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ไว้ปกปิดร่างกายไว้ป้องกันภัยที่อาจจะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็นหรือของของแหลมของแหลมของคมอาจจะมา บาดหรือมาทิ่มมาแทงหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่อาจจะมากัดมาต่อยร่างกายพอเรามีเสื้อผ้าผ่อนไม่สวมใส่ก็จะป้องกันภายน่านี้ได้แล้วก็เป็นเครื่องเสริมสวยความงามของร่างกายไปในตัวเวลาเราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามนี้ร่างกายเราจะรู้ดูว่าสวยว่างามขึ้นกว่าปกติ พอเสื้อผ้าพอนี้ก็มีส่วนเสริมสวยความงามของร่างกายให้ดูมีสง่าราศีแล้วเราก็มีบ้านพักที่อยู่อาศัยกันถึงเวลาค่ำคืนเราก็มีที่หลับที่นอนเวลามีภัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากดินฟ้าอากาศหรือมีภัยจากมนุษย์ที่ไม่ประสงค์ดี เราก็มีหลบมีที่หลบภัยก็คือมีบ้านเรามียารักษาโรคเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราตอนนี้ดีหมดนะแต่สิ่งที่ไม่ดีไปกับร่างกายก็คือใจของเรานี่เองสังเกตดูสิใจของเรานี้ในแต่ละวันมักจะมีเรื่องราวให้เราว้าวุ่นขุนมัวให้เราวิตกให้เรากังวลให้เรา มีอารมณ์ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือตัวฟ้องว่าใจของพวกเราตอนนี้กําลังขาดปัจจัยสี่กันใจของเราจึงวุ่นวายไม่สงบไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ทั้งที่ร่างกายของเรานี่ <c oughs> อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ทําไมเรากลับไม่ทําให้ใจของเราอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับร่างกายด้วย ก็เพราะว่าเราลืมไปว่าร่างว่าใจของเราก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายนั่นเอง<ม>เราโมแต่หาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่เราลืมหาปัจจัยสี่ให้กับใจร่างกายของเราเลยสุขสบายแต่ใจของเรามักจะวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ<ม>ดังนั้นเราควรที่จะทำเลี้ยงดู ใจด้วยปัจจัยสี่เหมือนกับเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ไปพร้อมๆกันเลยจะดีกว่าไหมเช่นเวลาเราให้อาหารกับร่างกายเราก็ควรให้อาหารกับใจไปด้วยวันหนึ่งนี่เราให้อาหารกับร่างกายวันละกี่ครั้งสามครั้งด้วยกันเช้ากลางวันเย็นเราหาเงินมาก็นหนึ่งก็เพื่อที่จะมาซื้ออาหารให้กับร่างกาย พอเวลาร่างกายได้รับประทานอาหารแล้วความหิวของร่างกายก็จะถูกกาจัดไปอาหารของใจคืออะไรถ้าเราอยากจะให้อาหารกับใจเหมือนกับให้อาหารกับร่างกายอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานนี่เองการทำบุญทำทานการทำความดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเกิดความสุขใจขึ้นมา เรียกว่าเป็นการทำทานเรียกว่าเป็นการให้อาหารกับใจสังเกตดูเวลาที่เราทำบุญทำทานแต่ละครั้งนี้ใจเราจะรู้สึกฟูขึ้นมาใจรู้สึกอิ่มอิ่มเอิบขึ้นมาใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจนี่แหละคืออาหารที่เราควรที่จะให้กับใจอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่เราให้อาหารกับร่างกาย เป็นทุกครั้งที่เราซื้ออาหารมาเพื่อมากินกันเราควรจะเอาเงินจำนวนเดียวกันนี้ไปซื้ออาหารให้กับใจด้วยคือเอาไปทาบุญทำทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเรากินอาหารมื้อละห้าสิบบาทเราก็ให้กับร่างกายเราก็เอาอีกห้าสิบบาทมาซื้ออาหารให้กับใจอาร ของใจก็คือการเอาเงิน50บาทนี้ไปทําบุญทำทานกันให้ใครก็ได้ที่เขาทุกยากเดือดร้อนหรือลำบากหรือให้กับคนที่เขามีพระคุณกับเราก็ได้เช่นให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายาย ผ, ผู้มีพระคุณหรือให้กับคนดีที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้วัดให้วาก็ได้ นี่คือวิธีการที่เราจะให้อาหารให้กับใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราให้อาหารให้กับร่างกายของเราถ้าเราสามารถให้อาหารให้กับกายพร้อมกับให้อาหารได้กับใจได้เราก็จะได้ร่างกายที่อิ่มและเราก็จะได้ใจที่อิ่มด้วยแต่เรามักจะลืมให้อาหารกับใจกัน นานทีนู่นน่ะถึงจะคิดถึงการให้อาหารกับใจสักทีเช่นวันเกิดอ๋อวันนี้วันเกิดต้องขอทำบุญท่นหน่อยทำทานท่านหน่อยปีหนึ่งทำแค่ครั้งเดียวส่วนส่วนอีกอีกอกอกว่าวันนี้ไม่ได้ทำบุญให้ให้ไม่ได้ให้อาหารกับใจเลยเราควรที่จะมาทำความเข้าใจและปรับวิธีการ ดูแลร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลใจของเราจะดีกว่าถ้าเราสามารถทําบุญทำทานได้อย่างสม่ําเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราสามารถรับประทานกันได้อย่างสม่ําเสมอใจของเรานี้รับประกันได้ว่าจะอยู่อย่างมีความอิ่มใจสุขใจไปทุกวันเหมือนกับร่างกายร่างกายอิ่มใจก็อิ่มด้วยอิ่มด้วยการให้อาหารของ ร่างกายควบคู่กับการให้อาหารของใจมองมองดูใจเราเหมือนสัตว์เลี้ยงก็ได้เรามีสุนัขที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านเวลาเรากินข้าวเราก็คิดถึงสุนัขเราก็หาอาหารให้สุนัข ก, กินไปด้วยเราไม่ปล่อยให้สุนัขอยู่แบบไม่มีอาหารรับประทานเวลาเรารับประทานอาหารเราก็หาอาหารมาให้กับสุนัขของเราด้วย อันใดจะมองว่าใจของเรานี้เป็นเหมือนสุนัขของเราก็ได้หรือจะมองว่าใจนี้เป็นเจ้านายของเราก็ได้ที่เราจะต้องคอยรับใช้คอยเลี้ยงดูท่านถ้าเราสามารถทําเลี้ยงดูร่างกายได้เท่าๆกับการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารนี้รับประกันได้ว่าใจเราจะไม่หิวโหวยไม่อยากได้สิ่ง น, นั้นไม่ได้อยากได้สิ่ง น, นี้แต่ทุกวันนี้ใจเราหิวโหวย อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากได้ของหรูหราต่างๆของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแต่อยากได้กันเพราะว่าใจของเราเหิวเพราะขาดอาหารเราไม่ได้ให้อาหารกับใจพอใจหิวพอใจอยากได้ของฟ ram, ุ่มเฟือยอยากจะได้ของหรูหราอยากจะได้ของที่ไม่จำเป็น เราอยากจะไปหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็หาสิ่งเหล่านี้มาให้กับใจได้เสพแต่สิ่งเหล่านี้แทนที่จะให้ความอิ่มกับใจให้กับความหิวความอยากเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับยาเสพติดเราคงจะรู้ว่ายาเสพติดเป็นยังไงเวลาเราเสพยาแล้วมันจะไม่อิ่มไม่พอ เสพได้ปั๊บเดียวมีความสุขเดียวเดียวเดียวก็อยากจะเสพขึ้นมาอีกเสพกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทำให้อิ่มไม่พอต้องคอยเสพเรื่อยนี่แหละคือพวกเราแทนที่จะหาอาหารด้วยการทำบุญทำทานมาให้กับใจล้วกลับไปหายาเสพติดมาให้กับใจเพราะเราหลงคิดว่าการให้ยาเสพติดกับใจแล้วใจจะมีความสุข แต่มันเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาหลังจากที่มันหายไปแล้วมันก็จะทําให้ใจเกิดอาการรู้สึกเศร้าโศงเหงื่อ ย, งงอยว่าเวทําให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆมาเสพอีกนั่นเองดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีใช้เงินใช้ทองของเราอย่าไปใช้เงินใช้ทองกับการซื้อยาเสพติดมาให้กับใจให้ได้เสพ อย่าไปซื้อของหรูหราซื้อของแพงๆซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปเที่ยวไปกินไปดืม่มโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินจะดืม่มหรือจะต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีของหรูหราไม่ต้องมีของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาเงินที่เราจะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มาซื้ออาหารให้กับใจด้วยการมาทำบุญทาทานกัน ทำบุญทาทานเราก็สามารถทําได้ในหลายรูปแบบด้วยกันะจะทําบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับองค์กรสาธรารณกุศลต่างๆก็ได้ทําบุญกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก็ได้เช่นบิานดามารดาปูา่ย่าตายายครูบ า, าอาจารย์ต่างๆหรือทําบุญกับสัตว์ก็ได้ถ้าเรารักสัตว์เห็นสัตว์เขาตกทุกข์ได้ยากลําบาก เห็สุนัขจรจัดก็ไปช่วยเขาซื้ออาหารมาให้เขากินหรือว่าซื้อไปซื้อชีวิตไปถ่ายชีวิตของนกของปลาก็ได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นการกระทำเหล่า น, นี้เป็นการให้อาหารกับใจถ้าเราทําอย่างนี้อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเ น, นื่องทุกวันเหมือนกับการให้อาหารกับร่างกายของเรา รับประกันได้ว่าใจของเรานี้จะมีความสุขมีความอิ่มอยู่ทุกวันด้วยกันอันนี้คือปัจจัยอันแรกที่สำคัญที่เราควรที่จะพิจารณากันก็คือการทำบุญทาทานควรจะทำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีถ้าไม่ได้ทำสามครั้งเหมือนกับการให้อาหารกับร่างกายอย่างชาวบ้านที่มีวัดอยู่ใกล้บ้านแล้วมีพระมาบิณฑบาตนี่ชาวบ้านเขาจะแบ่งอาหาร อีกเารัประทานนี้ใส่บาตเนีเขาได้ทำบุญทุกวันเขาได้ให้อาหารกับใจของเขาทุกวันชาวบ้านเขาจึงอยู่กันอย่างค่อนข้างที่จะมีความสุขทั้งๆ ท, ที่เขาก็ไม่ร่ำไม่รวยอะไรมากมายเงินทองก็ไม่มากมายก่ายกองแต่เขาก็อยู่อย่างมีความสุขมีความพอเขาพอใจกับอยู่กับสภาพของเขาตามตามอัตภาพของเขาเขาไม่หิวโหวยกับการที่จะต้องมี ของฟุ้งเฟยต่างๆมาใช้มากินมาดื่มมาดูมาฟังกันเพราะเขามีการให้อาหารกับใจอย่างสม่าเสมออย่างน้อยก็วันละหนึ่งครั้งด้วยการทำบุญทำทานสมัยนี้เราสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีวดัดไม่มีพระมาบิณฑบาตถ้าเราอยากจะทำบุญทำทานทุกวันเราก็เอาเงินที่เราจะทำบุญทำทานนี้ใส่กระปุกไว้ก็ได้ หรือว่าสมัยนี้ถ้าเรามีบัญชีในธนาคารเราสามารถโอนเงินให้กับสถานที่เขารับบริจาคเงินทองได้โดยผ่า น, านโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้บริจาควาันละหบาท1 0บบาทก็ได้แล้วแต่กำลังของเราถ้าเราอยากจะกินอาหารให้อาหารกับใจมากเราก็บริจาคมากหน่อยถ้าไม่มีมากพอที่จะบริจาคมากก็ให้บริจาคน้อยหน่อย แต่ควรจะทําทุกวันจะดีเพราะมันจะได้ติดเป็นนิสัยแล้วเงินที่เราบริจากเล็กน้อยในแต่ละวันนี้พอมาถึงปีหนึ่งนี้มันจะคูณไปต้องสามร้อยหกสิบกว่าเท่าด้วยกันก็จะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนกับเราเวลาทําบุญวันเกิดที่เราจะได้ ท, ทําทีได้เยอะๆอันนี้เราทําแบบผ่อนส่งไปก่อนเลยก็ได้ทําวันละห้าบาทสิบบาทไป ทำไปแล้วใจจะมีความสุขใจอิ่มใจทุกครั้งที่เราทําไปถ้าเราไม่มีมือถือไม่มีบัญชีเราก็เอาเงินนี้ใส่กระปุกไว้ใส่กระป๋องไว้ก็ได้วันละห้าบาทสิบบาทแล้วแต่กําลังของเราแล้วพอเวลาที่เรามาวัดหรือไปทําบุญที่ไหนหรืออยากจะไปทําบุญที่ไหนกับใครเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปกุกใส่กระป๋องนี้ไปทําบุญได้เลย ก็เรามีเงินสะสมไว้ให้กับการทำบุญแล้วใจของเราจะมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนกับร่างกายที่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเปรียบเทียบเหมือนกันเลยร่างกายไม่มีอาหารที่ไร้อากาศร่างกายก็หิวสู้ผอมใจถ้าไม่มีการทำบุญทำทานใจก็จะหิวใจก็จะสู้ผอมเหมือนกันไม่มีความสุขแต่ถ้าร่างกายมีอาหารครบ ใจมีอาหารครบร่างกายมีความสุขใจร่างกายมีความสุขใจก็มีความสุขต่างอันนี้คือเรื่องของปัจจัยข้อที่หนึ่งที่ที่เราควรที่จะทำกันอยู่เรื่อยเป็นการให้อาหารกับใจด้วยการทำบุญทาทานปัจจัยข้อที่สองคือคือเสื้อผ้าพรเครื่องนึ่งหม่มไว้สวมใส่ ใจก็ต้องมีเสื้อผ้าผรอนไม่สวมใส่เหมือนกันเสื้อผ้าผรอนของใจคืออะไรก็คือศีลศีลก็คือการไม่ทำบาปคนที่ไม่ทำบาปใจที่ไม่ทำบาปนี้จะเป็นใจที่สวยงามเหมือนกับคนที่ใส่เสื้อผ้าผรอนที่สวยงามเพราะว่าศีล น, นี้เป็นสิ่งที่จะทําให้คนนี้สวยงามเพราะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วย ถ้าไม่มีศีลก็เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจคนที่ทำบาปก็จะเป็นคนที่ไม่มีไม่สวยไม่งามไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคงด้วยแล้วนอกจากศีลที่เสริมสวยความงามของใจแล้วยังป้องกันภัยที่จะมากระทบกับใจได้ด้วยภัยที่จะมกระทบกับใจคืออะไรก็คืออบายทั้งสี่คือสัตว์เดรัจฉานเปรต อสุรกายนรกนี่ถ้าทำบาปถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่มีการป้องกันภัยจากอบายทั้งสี่ถ้าไม่มีศีลก็จะแสดงว่าต้องก็มีการกระทำบาปเมื่อมีการกระทำบาปก็ต้องไปรับผลของการกระทำบาปก็คือต้องไปเกิดในอบายที่ใดที่หนึ่งในสี่ที่นี้ด้วยกันไปเกิดเป็นเดรชาบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้าง แต่ถ้าเรามีศีลเราก็เหมือน ม, มีเสื้อผ้าให้กับร่างกายร่างกายมีเสื้อผ้าก็จะได้มีมีการป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นป้องกันภัยจากของที่แหลมที่คมอาจจะมาขูดมาขีดมาทิ่มมาแทงร่างกายและป้องกันภัยจากมาแมลงสา์กัดต่อยได้ในระดับหนึ่ง น, นี่คือศีลเกรืนุ่งห่มของใจเกรงนุ่งห่มของใจถ้าอยากจะให้ใจเราสวยงาม ปลอดภัยจากภัยที่จะมากระทบกับใจคืออาบายทั้งสี่ก็ขอให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ดีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในการมละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาถ้าเรามีศีลแล้วเราก็จะเป็นคนน่ารักเป็นคนดี แ, แล้วใจเราก็จะปลอดภัยตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลชานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนสุลกายหรือไปนรกอันนี้คือเรื่องของศีลเสื่อผ้าพรของใจที่จําเป็นจะต้องมีเหมือนกับร่างกายส่วนปัจจัยข้อที่สก็คือที่อยู่อาศัยเรามีบ้านมีช่องให้ร่างกายไว้อยู่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆ ใจก็ต้องมีบ้านมีช่องไว้หลบแดดไม่หลบภัยต่างๆเหมือนกันภัยของใจคืออะไรก็คือความวุ่นวายใจต่างๆความเครียดความกังวลความหวาดกลัวต่างๆเวลาที่เรามีความทุกข์ใจจากเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีบ้านของใจเราก็สามารถหลบเข้าไปได้ถ้าเราเข้าไปในบ้านแล้วความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปบ้านของใจคืออะไรก็คือสมาธินี่ คือการทาใจที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาใจที่มีความสุขนี้จะไม่ทุกข์กับไม่วุ่นวายกับอะไรเวลาวันไหนเวลาใดเรามีความทุกข์ใจวุ่นวายใจถ้าเรามีบ้านมีสมาธิเราก็สามารถเข้าไปในบ้านของเราได้เลยเหมือนกับร่างกายเวลามีพัยเข้ามามีฝนตกมีพัยธรรมชาติมีแดด มีแดดร้อนอากาศร้อนเราก็เข้าไปในบ้านที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศพอเปิดเครื่องปรับอากาศความร้อนก็หายไปความเย็นก็เข้ามาแทนที่สมาธินี้ก็เป็นเหมือนบ้านของใจเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันสร้างบ้านให้กับใจเพื่อที่เวลาที่เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราจะได้มีที่หลบภัยกันคือเข้าไปในสมาธิ พอเข้าไปในสมาธิได้ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปอันะนี้คือปัจจัยที่สาของใจก็คือสมาธิปัจจัยที่สี่ของใจคือยารักษาโรคของใจคืออะไรก็คือปัญญานี่ปัญญานี้เป็นเหนุนธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจโรคใจก็คือโรคของความทุกข์ต่างๆเวลาที่เราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ กเพาะว่าเรามีเชื้อโรคมาทําให้ใจเราทุกข์แต่เราไม่รู้กันว่าเชื้อโรคที่มาทําให้ใจเราทุกข์นี้เป็นอะไรเป็นเชื้อโรคโควิดหรือเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อโรคอะไรเราไม่รู้แต่ถ้าเราไปหาหมอหมอเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะให้ยาเรามารับประทานได้ท่านใดพระพุทธเจ้าคนนี้ก็เป็นเหมือนหมอท่านรู้ว่าใจของเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้เพราะเกิดจากเกิดจากเชื้อโรคอะไร เชื้อโรคของใจก็คือตันหาความอยากนี่กิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากกับคนนั้นอย่าไปอยากกับคนนี้อย่าไปอยากกับสิ่งนั้นอย่าไปอยากกับสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนี้เราอย่าไปเปลี่ยนเขาอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น เขาเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มถ้าไปอยากให้เป็นส้มแล้วเราก็จะทุกข์ใจเพราะเราจะไม่ได้ตามที่เราอยากได้นั่นเองปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเผื่อพูดง่ายๆก็คืออย่าไปหวังอะไรจากใครให้เราอยู่ตามมีตามเกิดให้ได้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากให้มันเวลาร้อนอย่าไปอยากให้มันเย็นเวลามันเย็นอย่าไปอยากให้มันร้อนเพราะเวลาบัญญัติแล้วมันไม่ได้ตังใจอยากมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราใจเราจะไม่ทุกข์ใจไม่ไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นนี่คือปัญญาต้องสอนใจให้รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของเราและสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่สามารถทำให้เราดับความทุกข์ได้ไปตลอดเพราะสิ่งที่เราได้มามันก็เป็นของชั่วคราวเราได้มาอะไรมามันอาจจะทำให้เรามีความสุขชั่วคราวแล้วพอสิ่งที่เราได้มาหายไปหมดไป หรือจากเราไปหรือเปลี่ยนไปใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มาดับความทุกข์ของใจเราแล้วอย่าไปอยากได้อะไรเพราะว่าความอยากนี้จะทาให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทำใจให้เฉยๆให้นิ่งๆสักแต่ว่ารู้ไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ความเครียดทางใจด้วยปัญญาด้วยยารักษาโลกใจ ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะมียาไว้คอยรักษาใจเราถ้าเรามีปัจจัยสี่มีอาหารคือมีการทำบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอมีศีลมีเครื่องนุ่งห่มก็คือศีลมีที่อยู่อาศัยก็คือสมาธิมียารักษาโรคก็คือปัญญาถ้าเรามีปัจจัยสี่ของใจครบบริบูรณ์ใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับที่เรามีปัจจัยสีให้กับร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจของเราถ้ามีปัจจัยสี่ก็จะอยู่อย่างสุขสบายเช่นเดียวกัน น, นี่คือที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอก็พอสมควรกับเวลาที่ได้กำหนดไว้คือประมาณ30สบนาทีส่วนที่เหลืออีกสานาทีหรือประมาณยี่สิบกว่านาทีนี้เราก็จะเอามาปฏิบัติทำมาสร้างบ้านให้กับใจกัน สร้างบ้านด้วยการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วจะเกิดความสุขจะเกิดความสบายจะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาการที่เราจะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้เราต้องมีสติคอยกำกับใจให้หยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยวิธีที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดเรื่อยเปื่อยเราต้องผูกใจไว้กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่เราผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดเราเรียกว่ากรรมฐานซึ่งมีหลายชนิดด้วยการที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ที่ใช้กันทั่วไปก็คือการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์เวลานั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานคอย คอยดึงใจเอาไว้มีสติคอยบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งไปก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าคอยควบคุมใจผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเ<ม>ช่นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปนใจก็จะนิ่งสงบได้ต่อไปถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นะ ดูที่ปลายจมูกดูเฉยๆดูลมเข้าดูลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้รู้ว่าลมกําลังเข้าหรือลมกำลังออกให้รู้ว่าสั้น ร, ร, รู้รู้ว่ายาวหยาบหรือละเอียดตามความเป็นจริงของมันให้รู้เฉยๆเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้หรือถ้าเรายังดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทไหนที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆหลายๆ ร, รอบก็ได้ จะสวดอิติปิโสก็ได้ส่วนบทแผ่เมตตาก็ได้หรือสวดอาการ32ไปก็ได้อันนี้ก็จะทําทให้ใจเรามีกรรมฐานคอยดึงให้เราเข้าสู่ความสงบได้แต่การส่รสวนนี้อาจจะไม่ทําให้สงบได้อย่างเต็มที่การส่วนนี้เป็นการช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านที่ใจอยากจะที่ใจคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายก็ใช้การสวดก่อนสวดไปกระทั่งรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านหายไป พอที่จะพูดโธได้หรือดูลมได้ก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมแล้วพูดโธต่อไปอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธิต้องมีอะไรกำกับใจผูกใจอย่านั่งเฉยๆแล้วอย่าไปสนใจเวลามีอะไรมาป ร, ปรากฏในขณะที่เรานั่งมีภาพมีเสียงมีเหตุการณ์ต่างๆให้เรารับรู้ก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจก็ติดอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆพุดโธไปเรื่อยๆถ้าใช้พุดโธดูลมไปเรื่อยๆถ้าใช้การดูลม สวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าใช้การสวดมนต์อย่าไปสนใจถ้าสนใจแล้วตามไปแล้วใจก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นที่มาปรากฏมาในขณะที่นั่งสมาธิให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่ได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็จะนิ่งได้สงบได้พองสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้กรรมฐานก็ได้ พอใจจะไม่คิดไม่ไม่ปรุงแต่งไม่ไม่มีความรู้สึกวุ่นวายแล้วก็อยู่เฉยๆด้วยสติไปดูดูดูคับประคับประคองใจด้วยสติต่อไปให้นิ่งให้เฉยไม่ให้คิดอะไรไปจนกว่าจะถึงเวลาเลิกจากการนั่งสมาธิอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธิง่ายๆเอามาฝากท่านเพื่อที่ท่านจะได้นั่งสมาธิต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาซึ่งวิ่งประมาณ20สกว่านาทีด้วยกัน แล้วเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะเลิกกันตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมหรือยังไม่สงบถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีที่นั่งของวันนี้ไว้แ้วเวลานั่งข่าวหน้าก็ใช้วิธีนี้ได้ จิก็จะสงบได้เหมือนเดิมแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีวิธีนี้จิตก็จะไม่สงบไม่ได้สงบด้วยความอยากแต่สงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยก็หมั่นเจริญสติบ่อยๆในระหว่างวันสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตื่นตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป ทำหน้าที่อะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งก็จิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาตูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปติ ปิชิตังปะทิตังทุมหังคิปเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโวินัสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวันุสุขังภาลาง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 261ท่น YouTube านยู u ูบพระสุชาติ262ท่าน y o u t u ด e อกตรวี56ท่านวิทยุออนไลน์6ท่านคลับเ้าส์7ท่านนาคุติ202ท่านรวมทั้งหมด794ท่นานครับอาจารย์เชิญถามได้เลยจ้ะ กาบนมัส ก, การพระอาจารย์นะคะออมีคําถามมากมายเลยค่ะแต่ว่าอยากจะเรียนพระอาจารย์นะคะเพื่อนเพิ่งได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมที่ปกติประมาณทักท้าหนึ่งหครั้งนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็กลับไปด้วยความแบบอืมีความสุขแล้วก็มีพลังมากๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอุปสรรคในการนั่งสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์จะนั่งได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สินาที แต่หลังจากนั้นน่ะก็จะรู้สึกว่ามีมีความร้อนเหมือนกับมีเหงื่อออกค่ะแล้วก็มีอาการเหน็บชาทำให้เราจะต้องรีสตาร์ทใหม่แล้วก็มีการขยับร่างกายอะค่ะพระอาจารย์ก็อยากจะเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงให้มันนิ่งได้แบบสงบตอลอดพิเรียดเลยอะค่ะก็เพราะว่าสติเรามีน้อยเหมือนแบตเตอรี่ในเครื่องเนี่ยถ้าเราใชา้มันน้อย ห้สิเดี๋ยวชาร์จใช้ไปทักปับก๊บมันก็หมดแต่ถ้าเราชาร์จมันได้ร้อยเปอร์ซ็นนี่มันก็จะใช้ดได้นานกว่าสติเราก็เหมือนกันเราไม่ค่อยชาร์จกันนะอย่างนีเรามีแค่สามสิบเอร์ซพอเรามานั่งสมาธิก็นั่งได้แค่สามสิบเอร์เซนั้นถ้าอยากจะให้นั่งสมาธิได้มากขึ้นนานขึ้นเราก็ต้องชาร์จสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งวิธีชาร์จสติก็คือเนี่ยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเราก็ จเจริญพุโทโธได้เลยพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจเนี่ยเริ่มชาร์จแล่วอย่าไปให้ใจคิดเรื่อยเปืยหมายถึงว่าชาร์จก่อนเดินทางมาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ทั้งวันเลยอยู่ที่ไหนก็ทําได้พอลินตาขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธไปไปนั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปอย่าไปให้ใจคิดถ้าไม่จําเป็นอย่ต้องคิดถ้าทำอย่างนี้แล้วเราก็จะชาร์จแบบชาร์จสติให้มีมากขึ้น พอมันนั่งสมาธิมีถ้ามีสติร้อยเปอร์เซ็นมันก็นั่งได้นานเป็นชั่วโมงเลยก็ได้พอใจยังค่ะออขอบพระคุณค่ะถามถ้าอยากจะถามมีกก็ถามได้นะ อ, อยากจะมีคําถามอะไรคําถามเนะี่เลยค่ะก็ปกติหลังจากที่ได้ได้กลับไปก็จะมีฟังที่เป็นอ อ, อนไลน์กับพระอาจารย์บ้างอ่ะค่ะก็พยายามพยายามนั่งสมาธิแต่ว่า ควมรู้สึกว่านั่งที่นี่อะค่ะจะได้ได้ดีกว่านั่งนั่งที่บ้า น, นะคะบรรยากาศมันมันดีกว่ามันเ อ, อื้อกว่าค่ ะ, ออคะคเอ<ๆ>อต้องหาที่สงบหาที่ไม่มีคนคลุกพลานที่นี่ถึงแม้จะมีคนแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะทุกคนนั่งนิ่งๆเฉยๆก็ต้องหาที่สงบแต่ไปนั่งที่มันมีเสียงรบกวนมีกระทึกคึกโคมีคนเคลื่อนไหวไปมา ม, มันจะยัดนั่งแล้วลําบาก เรไปลองมาอยู่วัดดูสักวันสองวันดูก็จะพยายามค่ะ<ม>เพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะอยากจะลองมาถือศีลสักวันสองวันดูอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะได้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นค่ะแล้วมีเวลาที่จะชาร์จแบตได้มากขึ้นด้วยค่ะพออยู่ที่บ้านเราชาร์จแบตไม่ก็ได้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็คุยกันถามเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้กันวเวลาคิดว่าวันนี้ต้องไปทํางานนะต้องไปติดต่อกับใครอะไรใช่เวลาชาร์จแบตไม่มีเลยมีแต่ใช้แบตแต่ลดเวลาค่ะแบตมันก็เลยไม่ค่อยมีอยู่ในเครื่องเท่าไหร่ แต่ว่าตั้งแต่นั่งมามาฟังพระอาจารย์นะคะเหมือนเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะคือไม่ไม่เปิดทีวีเลยอะค่ะอกลับม า, าที่ห้องที่คอนโดก็จะไม่ดูเลยอ่เาเป็นวิธีชาร์จแบตไปในตัวอ๋อค่ะเอาขาแบตไว้เวลาดูทีวีเราก็เสียสติไปกับการดูค่ะแต่ถ้าเราไม่ดูทีวีแล้วก็พูดโธพูดโธของเราไปชาร์จแบตได้ค่ะต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วนั่งจะนั่งได้นานขึ้นเอง แต่ตอนนี้ก็นั่งเท่าที่เรานั่งได้ไปก่อนอย่าท้อแท้อย่าเบือนายให้เข้าใจหลักว่าเราอย่างเหมือนเหมือนเด็กกำลังหันเดินหันยืนหันวิ่งอยู่ก็ต้องล้มลุกคุกรานไปก่อนแต่ถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเราก็จะนั่งได้นานขึ้นนะนานขึ้นเอง okay. ขอบคุณค่ ะ, ะมีข้างหลังอีกข้าง ครับระหว่างนั่งสมาธิครับช่วงหลังๆร่างกายมันชอบขยับไปเองแรงๆมากๆครับเอ า, เ อ, าอย่างนี้จะระหว่างนั่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนระยะบทเป็นยืนได้ไหมครับเพื่อลดแรงมันนะครับมันสแสดงอาการของการขาดสติพอสติไม่มีจิตมันก็เลยเล่นมันก็เลยออกฤทธิ์ออกเดชนั้นเราจะขยับก็ได้แต่ก็เหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่ ถ้าอยากจะนั่งให้ได้นิ่งไดนานไปเรื่อยๆก็ต้องอย่างที่พูดคอยชาติสติอยู่เรื่อยๆคอยเติมสติอยู่เรื่อยๆก่อนตอนนี้สติเรามีน้อยนั่งได้ถึงขีดหนึ่งแล้วมันก็เริ่มสแสดงอาการขึ้นมาแสดงสติหมดแล้วพรงนั้นถ้าเราอยากจะชาติสติเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยแล้วอาการต่างๆไม่ต้องไปขยับมันมันจะร่างกายมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปขยับมันไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป พอพุ้โธมีมากขึ้นแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะสงบตัวลงเองมีคำถามจากทางอินบ็อกนะคะแม่ป่วยมีลิมเลือดขึ้นไปอุดที่สมองทำให้ตอนนี้นอนติดเตียงลืมตาได้แต่ไม่แน่ใจว่ายังรับรู้หรือไม่ค่ะคุณหมอบอกว่าการขนาดนี้คือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปัจจุบันดูแลแบบประครับประคอง อยู่ด้วยออกซิเจนและการให้อาหารทางสายยางโยมมองว่าที่ทำอยู่เป็นการยื้อโดยไม่ปล่อยให้แม่เป็นไปตามธรรมชาติหากโยมขอคุณหมอให้หยุดการให้อาหารทางสายยางและถอดออกซิเจนเพื่อให้ท่านไปสบายจะเป็นการทำบาปหรือไม่คะมันก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของคนไข้ด้วยเพราะเราไปตัดสินชีวิตของเขาไม่ได้ถ้าโยางอยากจะให รักษาต่อเราก็ต้องรักษาไปตามกําลังของเราแต่เราไม่ควรที่จะไปเป็นผู้ตัดสินว่าต่อไปนี้ไม่รักษาแล้วนะนอกจากว่าท่านสั่งไว้ก่อนก่อนที่ท่านจะไม่สบายว่าอย่าให้เขาต้องมาให้สายยงสายยางให้อาหารให้อะไรให้รักษาแบบธรรมชาติคืออยู่ได้ก็อยู่กินได้ก็กินกินไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามถ้าสั่งไว้ก็ทําได้ แต่ถ้าไม่สั่งไว้เราไปทําเองเนี่ถือเป็นการกระทําพาราการซึ่งไม่ควรจะ ก, กระทำเพราะเป็นชีวิตของคนอื่นเขาไม่ใช่ชีวิตของเราคําถามต่อไปค่ะโยมขอปัญญาอุบายในการลดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสามีว่าเป็นของเรามันตัดยากจริงๆค่ะทุกมากค่ะทํายังไงเราจะคลายความยึดติด ต, ตรงนี้ไปได้คะก็นึกถึงตอนที่เราเกิดเลยเวลาเราเกิดสามีมากับเราหรเปล่า แล้วเวลาเราตายสามีไปกับเราหรือเปล่าให้ดูที่จุดสองจุดนี้จุดเกิดกับจุดตายมาก็ไม่ได้มากับเขาเวลาไปก็ไม่ได้ไปกับเขาแล้วเขาจะเป็นของเราได้ยังไงล้วปล่อยเขาไปวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดี จากคุณรักจังค่ะคนที่ทำบุญเยอะมากเช่นใส่บาตรทุกวันสร้างพระแต่จิตใจไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายชอบพูดแฉผู้อื่นคิดไม่ดีต่อผู้อื่นได้บุญหรือไม่คะก็บุญคนละอย่างกันไงบุญที่เกิดการการทำบุญให้ทานก็ได้แต่บุญที่เกิดจากการไม่พูดไม่ด่าคนอื่นก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่มีศีลต้องมีศีลถ้ามีศีลแล้วก็จะคอยควบคุมวาจา ไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้ไม่ให้ไปทำร้ายผู้จากคุณสริญญาค่ะกราบถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตชอบไหลไปที่อื่นแต่เรารู้ตัวดีแล้วเราบอกตัวเองว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่นะแล้วให้จิตใจนิ่งสงบถูกไหมเจ้าคะมันไม่นิ่งนะสิบอกป๊บเดียวมันก็ไปแล้วเน้นต้องใช้พุโทโธพุโทโธนึงไว้ดีกว่าเนี่ย <c oughs> อย่าไปคุยกับมันยิ่งคุยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งคุยมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งโต้ตอบเราไปใหญ่ฉนั้นอย่าไปสนใจพอรู้ว่ามันคิดแล้วก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราดูลมได้แล้วก็ดูลมไปสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปแต่อย่าปล่อยให้มันคิดมี่มีคําถามนะอยากจะถามอีกกระถามได้นะตอนนี้มีเวลา อให้เต็มที่อะไรวันนี้งั้นขอถามเพิ่มนะคะคือจริงๆเออตั้งแต่ปฏิบัติธรรมก็มีความตั้งใจว่าถ้าถ้าได้กเกษียณอายุอะค่ะก็จะมาปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นแต่ว่าก็มีอุปสรรคนิดนึงว่าเนื่องจากว่าตัวเองคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วอะคะ่ะแล้วก็พี่สาวก็อยากจะให้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยก็เลยคือเราก็ปฏิเสธไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่า มันมันเป็นบาปไหมคะพระอาจารย์ก็อย erm> evet> sure> ู่ที่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนเขาต้องการคนที่ดูแลช่วยเหลือเขาแล้วเราไม่ช่วยเขาเราก็ไร้ความเมตตาเขาไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วตัวใครตัวมันพระเจ้าสอนอตาหิอัตโนนาโถนอกจากว่าเวลาเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครพยาบาล้ถ้าเราไปดูแลเขาได้ก็ไปหรือถ้าเราไปเองไม่ได้จ้างคนอื่นไปแทนก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกัน พยายามที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากแต่จะไปอยู่กับเขาเพื่อเอาใจเขานี้ไม่จําเป็นเพราะมันเป็นกิเลสเขาก็เหงาเขาก็อยากจะอยู่มีเพื่อนอยู่นี่อยู่ด้วยกันนนั้แล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะพระเจ้ายิ่งต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่ในในป่าเลยถ้าอยู่ในวังก็ไม่มีวันที่จะตัดสั้ได้ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องทิ้งหมดให้คิดถึงความตายไว้ว่าทุกคนยังไงก็ต้องตาย อยู่ด้วยกันก็ตายไม่แยากกันอยู่ก็ตายแต่ตายแบบไม่ได้ไปนิพพานกับตายแบบไปนิพพานเอาแบบไหนดีกว่ากันเอ<ม>าตายแบบไปนิพพานดีกว่าใช่ไหมก็ต้องแยกกันอยู่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะพอแล้วเหรอพอแล้วเหรอเอาเองเด้อไม่เป็นไรไม่มีใครถามเลยเอาเลยไ้่อยากถาม ก็คือด้วยความที่เวลามาวัดนะคะก็ชอบที่จะมาคนเดียวหรือไม่ก็มากับเพื่อนแต่ว่าทุกครั้งที่ที่เวลามากับพี่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเหมือนคนจลิตคนละอย่างอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอเวลาเรานั่งแต่เขาอาจจะไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยแบบนิ่ง่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาคนเดียวก็เขาก็เหมือนแบบไม่ชวนเลยอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนยทำไงดีค ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไงคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนเราไปโรงพยาบาลเราชวนเข้าไปด้วยเปล่าเวลาเราไม่สบายชวนเข้าไปอยวยใช่ไหมนี่มาวัดก็เหมือนมาโรงพยาบาลจิตใจมารักษาจิตใจฉั้นไม่ไม่ชวนใครทั้งนั้นพรเราต้องเข้าไปรักษาจิตใจของเราเหมือนเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราชวนคนไปด้วยหรือเปล่าเราเราเวลาไปนอนโรงพยาบาลมามานอนเป็นเพื่อนหนหรือเปล่าใช่ไหม ไปอย่างเดียวกันอะมาไว้ก็ถือว่าเป็นการมาเพื่อรักษาจิตใจและการรักษาจิตใจที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือมาคนเดียวไม่ใช่เวลาที่เราจะสังคมกับใครเป็นเวลาที่เราต้องปริกวิเวกอยู่ตามลำพังถึงจะได้ผลดีถ้ามาด้วยกันก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับไม่ได้มาเหมือนกับอยู่บ้าน อยู่บ้างก็คุยกันใช่ไหมทา่นี่บ่านก็คุยกันใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้ม่ค่อยได้อะไรค่ะแ่อย่างมากก็ได้แค่ถวายของทาบุญทำทานนิดหน่อยแต่ได้สติสตังไม่มีเลยเพราะฉนั้นต้องรู้จักแยกแยะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วการทำอะไรนั้นมันต้องมีต้องทำอย่างไรมันถึงจะได้ได้ผลดีเราต้องเล็งที่ผลแล้วกําจัดสิ่งที่มาคอยขัดขวางผล อันไหนเป็นสิ่งที่กีดขวางผลของเราก็เราก็ต้องกําจัดมันเช่นการมาการหลายๆคนนี้ก็ จ, จะแบ่งเป็นเวลาก็ได้บางเวลาเรามาทําบุญทําทานชั่วคราวชั่วเดี๋ยวเดียวก็ชวยเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเราต้องกอารจะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเราก็มาคนเดียวกันอ๋อค่ะค่ะคุณค่ะมีคาําถามยังไหมคํา <Okay. S 2> ถามจากคุณนาวินค่ะ ตัวกิเลสจะอาศัยความคิดที่ไม่มีสติเป็นผืนนาใช่ไหมครับมีสติมันก็กิเลสมันก็มาได้เแต่ว่ามันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือแล้วเราต้องคิดถึงขนมก่อนเราถึงอยากจะกินขึ้นมาแต่ถ้าคิดถึงขนมที่ออกมาจากร่างกายแล้วมันก็จะไม่อยากกินขึ้นมาทันทีจากคุณรักจังค่ะ กลาบสอบถามพระอาจารย์ค่ะถือสินห้าแต่มีบางวันต้องโกหกเช่นการทำงานถือไม่ได้ทุกวันถือบ้างไม่ถือบ้างได้ไหมคะก็เหมือนท ำ, ออทำข้อสอบอะทาข้อข้อบางข้อทำได้บางข้อเองทำไม่ได้คะแนนก็เลยไม่ได้เต็มร้อยท่านต่อไปค่ะ ถ้ามีอาการซึมเศร้าฟงซ่านคิดมากจนใจไม่สงบควรปฏิบัติอย่างไรดีคะเวลาทุกใจจนควบคุมความคิดไม่ได้ทำอย่างไรถึงจะวางใจได้บางครั้งรู้สึกเหมือนใจอ่อนแรงไม่อยากทำอะไรเลยแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างไรคะไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรหาความสุขของตัวเองไม่เจอคะต้องหยุดความคิดให้ได้วิธียหยุดก็ต้องใช้สติ สติก็คือการสวดมนต์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งอพอเรารู้สึกฟุ้งซ่านเศร้าซ้าซาอยงหง้อยเหงาก็สวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราเศร้า อ, อยู่กับบทสวดมนต์ไปสังระยะหนึ่งเดี๋ยวพอใจสงบความเศร้าความอะไรก็หายไปหรือถ้าเราใช้พุโทโธได้ก็ใช้พุโทโธถ้าเรานั่งสมาธิดูลมได้ก็นั่งดูลมไปนี่คือวิธีการต่างๆของสติที่จะหยุดความคิดความฟุ้งซ่านต่างๆได้ คุณจินนิพาคะสินแปดนั่งทานข้าวบนเก้าอี้ได้ไหมคะแล้วนั่งภาวนาบนเก้าอี้ได้หรือเปล่าคะอ๋อไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเวลาเรื่องเรื่องกินข้าวนี่ถ้าถือสินแปดนี่ไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้วจะกินใต้โต๊ะก็กินไม่ได้เนะมันอยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะกินตรงไหนกินบนโต๊ะก็ได้กินใต้โต๊ะก็ได้กินตรงไหนก็ได้ ถ้ายังไม่ถึงถ้าไม่ไม่เกินเวลาที่ห้ามไหมคุณปริตาค่ะนั่งสมาธินา น, านจนปวดขาขอสอบถามว่าขยับได้หรือไม่หรือทนปวดไปเรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์ไม่ทําทั้งสองอย่างไม่ขยับและไม่ทนปวดด้วยการสวดมนต์ไปท่องพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการปวดหรือว่าอาการปวดก็จะไม่มาลกปลนใจเราอกหมดแล้วนะใช่ค่ะ okay.